Thank mm -hmm. you. เมื่อเช้ามืดตอนทอมวัดนะฝนก็เทลงมาฝนตกดังๆแบบเมื่อเช้านี่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะในระยะหลังในพรษา น, นี้ก็ดูเหมือนจะเพิ่งเป็นอย่างนี้นะ่ยก็เป็นครั้งแรกนี่แหละแต่เป็นเมื่อก่อนนี่ฝนก็จะเทลงมาค่อคนข้างบ่อยนะตกมาหนักและตกมาทีไลนะก็ ถ้าเป็นตอนเช้าเช้านี่คนในวัดก็ก็มีเรื่องที่ต้องผจนภัยกันนะเพราะว่าเวลาจะข้ามไปสารา น, น้าเนี่ยน้ำในบอ่อน้ำในสามก็จะท่วมจนท่วมสะพานเพราะตะกอเนี่ยสะพานจะเตี้ยนะขอบสระไม่สูงเท่าปัจจุบันฝนตกเทโลไม่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 คนน้ำมีเชี่ยวบางทีก็อาจจะถ้าเดินไม่ดีพลัดนะลื่นก็อาจจะโดนน้ำซัดออกน้ำพัดออกไปเลยก็เป็นความตื่นเต้นอีกอย่างนึงนะของอาชาววัดซึ่งก็จะว่าไปมันก็เป็นการฝึกสติอย่างดีนะสมัยนี้เนี่ยไม่มีแบบนี้แล้วนะเพราะว่าสะพานอ่า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 มันก็มีเป็นฤดูนะก็คือฤดูฝนแล้วก็ฤดูฝนนี่ก็เป็นบางวันวันไหนฝนตกหนักอตอนเช้า ก, ก็เจอน้ําเชี่ยวกันตอนตอนบินทบาทแต่ว่าไอก้กระแสที่มันเชี่ยวหลายภายในนี่มันไม่มีเปล่าเวลานะมันไม่มีฤดูกาลแล้ววันนึงก็อาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งก็ได้กระแสที่ไหลเชี่ยวภายในนะ ก็หมาถึงกระแสะอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นนะในใจเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนก็มักจะถูกกระแสะอารมณ์เนี่ยมันพัดพาไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยเนเะดีย๋ยวว่าแต่อารมณ์เลยนะแม้กระทั่งกระแสะความคิดเนี่ยความคิดที่มันเบากวบอารมณ์เยอะนะพอมีกระแสะความคิดเกิดขึ้นนะมันก็พัด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 โน้นต่อเรื่องโน้นก็ต่อพอจบเรื่องโน้นก็ต่ออีกเรื่องหนึ่งกว่าจะหมดกระแสความคิดนะก็คิดไปแล้วหลายเรื่องบางทีเจแปดเรื่องถึงค่อยมารู้ตัวว่ อ, อนี่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะ อ, อันนี้เรากำลังเดินจงกรมนะไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะเวลากินข้าวก็เหมือนกันนะปากก็เคี้ยวไปนะแต่ใจเนี่ยมันไหลไปตาม กระแสความคิดแล้วคิดไปถึงเรื่องงานคิดถึงลูกคิดถึงคนรักคิดถึงอาหารที่ถูกปากกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับใจของเราไม่ว่าฤดูไหนนะเกิดขึ้นวันละหลายครั้งแล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยสังเกตนะเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเป็นอาจินละ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 อาการปรีดเนี่ยนะมันไม่ใช่อะไรอื่นนะมันเกิดจากการที่ไปสักสะสมหมักหม ม, มนะความโกรธเอาไว้คนเราจะปรีดเนี่ยเพราะว่ามันเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นานคนที่พอมีอะไรไม่ถูกใจก็โวยไปว่าไปเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดอาการปรีดเท่าไหร่านานะพวกที่เกิดอาการปรีดเนี่ยคือการที่มันเก็บเอาไว้นานๆคนที่ไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยมีปากมีเสียงใครเนี่ยก็จะเก็บนะ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 อาจจะมีหมาเน่าลอยน้ำมาหรือเศษกอสะระลอยมาก็ดูมันเฉยๆนะแต่ว่าถ้ามีสตินะมันก็อดไม่ได้ที่จะโจลงไปลงไปในน้ำเพื่อจะขึ้นเรือสารานนะอยากจะไปสนุกกับเขานะหรือไม่ก็พยายามที่จะหาอะไรมาดึงมาค้ามาถอมาเพื่อไม่ให้ไอหมาเนานี่มันเข้ามา พยายามที่จะ ก, กันกรอสว่าออกไปไกลๆการปฏิบัติการจุลสติเนี่ยนะมันก็มีหลักอยู่ที่ว่าเพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะแต่ใหม่ๆมันยากนะเพราะว่านิสายเดิมเนี่ยหรือความเคยชินนำเดิมเนี่ยนะมันสะสมมานาน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 มันเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยนะมันมันก็มักจะไหลไปตามร่องเดิมตอนนี้เราพยายามสร้างร่องใหม่เรากำลังเปลี่ยนทางน้ำจากหลงไปสู่รู้นะแต่ทางน้ำที่มันไปสู่ความหลงเนี่ยมันเป็นมันเป็นน้ำมันเป็นทางสายใหญ่นะที่มันเกิดขึ้นมานานนะน้ำที่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 มันก็จะไหลไปตามร่องร่องเดิมร่องเก่าร่องความคิดร่องจิตนะแต่ว่าการจรุลสติเนี่ยมันก็คือการสร้างร่องใหม่ทีแรกจะเป็นร่องเล็กๆแต่ว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆร่องมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้ น, นแล้วก็ลึกขึ้นแล้วก็เริ่มมี น, น้ำเนี่ยเข้าไปสู่ร่องใหม่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 แต่ก่อนมันเป็นแค่คลองนะแน่น้ำเจ้าพญาสายเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไหลไปทางนั้นนะมันไปทางคลองมากอกน้อยเนี่ยมันเป็นคุ้งนะแล้วก็พระเจ้าเป็นดินสมัยอยุทยาท่านเห็นว่ามันมันมันมันอ้อมมากไปก็เลยตัดคลองลัดคลองลัดที่เชื่อมระหว่างคุ้งสองคุ้งะนะที่แรกก็เป็นคลองเล็กๆนะแต่ต่อหลกลายเป็นคลองใหญ่จนเดี๋ยวนี้เราเห็นเป็นแม่น้ําไปแล้ว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 แล้วก็เอาแต่อะไรอาวรเสียดายหรือไปนึกถึงแต่คนที่จากไปไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ไหลไปอดีตก็ลอยไปอนาคตไปนึกถึงงานที่ยังคาอยู่นึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ชำระนึกถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะกับสุขภาพของตัวไปตรวจสุขภาพหมอนัก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 ความเครียดนี่น่ากลัวกว่ า, วามันเป็นสาเหตุการตายมากกว่าเล่าและบุหรี่ซีกทุกวันนี้ก็มีหล่นลงนะงดกินเหล้านะงดสูบบุหรี่แต่ที่รลนลงไม่สำเร็จหรือว่าไม่คิดจะรลนลงคืองดเครียดนะเพราะว่ามันทาได้ยากเพราะแม้แต่คนที่ล่นลงเรื่องบุหรี่คนที่รลนลงเรื่องเหล้ายัางเครียดเลยน่นที่บอกว่า